พุทธพจน์ปฏิเสธความเข้าใจผิดว่าวิญญาณออกจากร่างไปเกิดเป็นเรื่องน่าสนใจสำหรับผู้ชอบศึกษาปัญหาเกี่ยวกับการเกิดใหม่โดยทั่วไปแม้จะไม่เกี่ยวกับเรื่องนิพพานโดยตรงแต่เป็นความรู้พื้นฐานอย่างหนึ่งที่อาจเอามาประกอบการพิจารณาได้บางแง่ครั้งหนึ่งภิกษุชื่อสาติเป็นบุตรชาวประมงมีความเห็นผิดว่า พระพุทธเจ้าสอนว่าวิญญาณดวงเดียวกันนี้ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏภิกษุทั้งหลายพยายามเปลื้องความเห็นผิดของเธอแต่ไม่สำเร็จจึงพากันไปกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์จึงตรัสเรียกพระสาติมาและส่งสอบถามดังความว่าเป็นความจริงหรือสาติมีข่าวว่าเกิดเกิดความเห็นชั่วร้ายอย่างนี้ว่าข้าพเจ้ารู้ทั่วถึงธรรมะ ตามที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ว่าวิญญาณนี้นั่นเองยอมวิ่งแลน่นยอมท่องเที่ยวไปมีใจอื่นทูลตอบว่าเป็นอย่างนั้นตรัสถามว่านี่แหละสติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรทูลตอบว่าวิญญาณนั้นคือตัวอันนี้ที่เป็นผู้พูดเป็นผู้รู้สวยวิบากของกรรมทั้งหลาย ทั้งดีและชั่วในที่นั้นๆพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนโมคะบุรุษเธอรู้ทั่วถึงธรรมะที่เราแสดงแล้วอย่างนี้แก่ใครหนอเรากล่าวไว้ดู อ, อนเนกปริยายไม่ใช่หรือว่าวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมการเกิดขึ้นคือเป็นปฏิจจสมุปบันเว้นจากปัจจัยเสียการเกิดแห่งวิญญาณย่อมไม่มีก็แล ด้วยความเห็นที่ตนเองถือเอาไว้ผิดเธอย่อมกล่าวตูเราย่อมขุดตนเองและประสบสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากความเห็นนั่นแหละจักเป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานจากนั้นได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายวิญญาณอาศัยปัจจัยใดๆเกิดขึ้น ก็ถึงความนับไปตามปัจจัยนั้นๆนั่นแหละกล่าวคือวิญญาณอาศัยจักสุแล้วรูปเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าจักขูวิญญาณวิญญาณอาศัยโสตะและเสียงเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าโสตวิญญาณวิญญาณอาศัยคานะและกลิ่นเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าคานะวิญญาณ วิญญาณอาศัยชิวหาและรสเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่าชิวหาวิญญาณวิญญาณอาศัยกายและผลิตภัพเกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ากายยะวิญญาณวิญญาณอาศัยมโนและธรรมอารมณ์เกิดขึ้นก็ถึงความนับว่ามโนวิญญาณเปรียบเหมือนไฟอาศัยเชื้อในดยติดขึ้นก็ถึงความนับไปตามเชื้อนั้นๆว่าายไหม ว่าไฟเศษของว่าไฟย่าว่าไฟโคลไมว่าไฟแกลบว่าไฟอยากเยื่อเป็นต้น